มีน้ำมีน้ำครัเอเอเอไปถวายลูกปูแก้วใช้แก้วป่ะปูยกตื่นได้ป่ะได้่มีเลยปูบอกได้โอเคนี่แก้วเดี๋ยวนู้น้ำหอมแไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ตอนที่น้ามันผ่านนะจ้าค่ปูนีวางไว้ตรงนี้จะเป็นร้อยลูกมันลอ ีไหนีไหนนั่นเอออยนตกยน่นเน้ำ่ะโอ้น้มีเลยอมีแรงโอยน้กงมาดนคนมา่นเ้ตแต่มันแรงเร็วู่ม่ดูน้ตี่นนรประมาณอยู่ไหนล่ะแพี่น้องพี่น้องตรงเนี้ยิได้ แค่นี้ค่ะแล้วตรงนั้นของบ้านสองสาวก็ให้สาวนมอเล็กคนแม่เนี่ยเขาเนีก็ของจงจ้ะของอีกก็แค่แถมบ้านนี่ไปเช่นนู้นอ๋อเจ้าค่ะจะบ้านสองหลังเ้าได้บ้านสองหลังอายุแม่อยู่เ้าดูแลพ่อแม่เขาไม่มีครอบครัวค่ะหลวงปู่ได้หลวปูพระทราบส่ตรงนั้นไหมเกินั่นเข้านั้นก็ไม่เป็นไรหรอก เจ้าค่ะอาเยาทัพย์ภายในเจ้าค่ะเป็นคนธรรมดาทำไได้ก็สมมวยเขาจนสิบแปดได้นักปราชญ์รแค่ไร่สองไร่ของเราเจ้าค่ะน้อยนิดนะมันจะมีอะไรที่พึ่งสู้พึ่งทางใจไม่ได้หรอกใาใจเข้าสวรรค์นิพพานเราจะมาห่วงอะไรร่างกายเจ้าค่ะร่างกายไม่มีประโยชน์ดื่มน้ําลมไปใจสาคัญเพือใจใจไม่เสียติดอะไรไม่มีฉันไม่มีอะไรแล้วเจ้า ข้าสำคัญเป็นเกือนโูกหลานี้หาความมีออกจากใจไปพษษิธพการเลยเข้าใจไหมจะให้ใจมีอะไรอะไรไมันต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามพระเจ้าในหัวใจเราเรามีอะไรไหมถ้าไม่มีเพราะเปงของว่างเปล่าไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกแล้ว พระเจ้าหาถึงทำมาสอนสัตโตกแต่สัตว์โลกไม่ได้ดูตามคําสอนของพระเจ้าก็เลยมาหยอกบอกแกดยมถวายนู่นสวายนีน่ถวายน่นถวายนีนยนนยนน่เท้านําโพชนะอาหารยุ่งกันอยู่นั่นทํ า, มามหมายความมีออกจากใจทําไมไม่บอกก็พระไม่เคยเห็นเหรอแล้วเอาสุดยอดเลยนะคําสอนของพระเจ้าเราจะเอาอะไรหล่ะเสือพระเจ้าแล้วเรจะมาหว่วงอะไรก็เกิดแก่เก็บตายอย่างนี้มันเป็นโรค พูดแล้วมัเข้าไม่ใช่ไหมเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายถ้าไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจแต่ใจมีแล้วเกิดอีกแก่อีกเก็บอีกตายอีกเสียงดังไปถึงไหนนั้ะพระวักก์พรมก็ได้ยินแล้วคนนี้มีศรัทธาโอ้คนนี้มีศรัทธาฝากฟังไว้ไม่ไม่ไปใช่หลวงพ่อเดิสมบัติของพุทธศาสนาต่อไป นเนี่ออกจนแล้วลูกหลานก็นจะให้เลือกเฟ้นพระสงฆ์ที่มาอยู่พระยุ่งพระวุ่นวายไม่เอามาให้อยู่ะเอ้ย <c oughs> บาปทั้งคนให้ทั้งคนรับเรื่องโจรก้นพระศาสนานั่นเอ้ยบาปทั้งคนให้ได้บาปทั้งคนรับนอกจากไม่คนรับรับของทาน <c oughs> ทางโลกให้ที่อยู่อาศัยของจนจนขเขาไปพ้นไปข่ามาอาศัยอยู่ที่นี่เราให้ที่อยู่เอาเขาไปจับตั้งเจ้าของบาปก็เหมือนกันยังโจรพ้นพระศาสนาให้มาอยู่ทำไมถ้าเราไม่เลี่ยงเขาก็สืกหนีแล้วรู้จักว่าโจน่ะแต่เราส่วนมากเราไม่รู้จัว่าโจรพ้นศาสนาคืออะไรเอาของพระเจ้าอรัชีอรัชีเราไม่เลือกหนาะแต่ไม่เลือกเพืนนะ่อนหนา การเลือกให้พูดองค์ตัณฑ์นักเสิรเข้าใจั้มต้องคิดที่ย า, ยาวดาวนะเลือกให้ทานหรือเลืกให้สิ่งของพระสงฆ์ต้องเลือกอไม่ใช่เหรอเห็นพระพระคึกกันนะคือพระลง่งคือกันต้องผัดเหลืองคือกันนั่นแต่ไปดกอันเดียว ก, กันก็ว่าไปแล้วอันเดียวกันอยู่แต่ว่าการจะที่จะไปปฏิบัติตามคําพูดพูดได้แต่การปฏิบัติตามคำสอน ข, ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในโลกนี้มีพระสี่รูป มันถึงมีวัดจีวัดสอนให้ทําบุญมีพระกี่ลูกสอนให้ทําบุญมันมันยากตรงนี้นะเราไม่มีสติปัญญาไม่ใจนะมาคนเดียวไปคนเดียวไม่มีอะไรมาเกาะตั้นหารักลูกเหมือนเสื้อผูกคอตั้หารักสามีภรรยาเหมือนปอผูกสอกตั้หารักทรัพย์สมบัตินี่เหมือนขวบมะติลนึกถึงว่าห้องทรัพย์สมบัติกินแค่นี้ ไมแล้วคอยแค่นั้นเกิดกิจใจแล้วเหนยวถ้าเป็นของเราคนเดียวก็มีแต่ทธาเองหรอให้มีสตาต่รูกเองหรอกอันนี้รักษาพี่น้องปันให้แล้วไมมีอะไรแล้วถ้าไม่มีอยู่ใจของเรามีมีบ้านฉันมีบ้านฉันมีที่ดินมีหรอกนั่นได้ไหมถ้าเราจะไปนิพพานไม่มีอะไรแล้วยิ่งได้โอกาสอย่างนี้ยิ่งหาได้ยากหรืออะไรนะ หรือไปตื้อไขายแสนล้านหมื่นล้านก็เดียวก็หมดถ้าเป็นองเงินเงนเปิดหมื่นล้านแสนล้านเออไว้ใสน้อไว้ใส่น้อลูกกรบุมีหลานก็บุมีเอาไปมาใจของเราก็ไปติดอยู่นั่นเติมตัวนักเฝ้าผู้สมเผ่าทรัพย์ว่าไงล่ะนูส์พอตัวมือก็ยังติดแปดไร่ยังราคาไร่ละสิหลังห้าหลังเขาก็ยังเสียตลาด ก็จิตจิตสมุจน ย, ยังยังไม่ขยันเท่าไหร่แต่หลวงพ่อนะมันขยันในใจมันได้จากพระพระสงฆ์ทีนี้มันได้ยอดรวมเยอะเห็นไมเรามาเท่าเดียวได้กี่คนคนเคลื่อนใสในผู้ทธศาสนาแค่นี้หลวงปู่ก็ดีใจแล้วเขาใคยทานแต่เรื้องต้นเขาเรู่ทานไปก่อนอีกไม่นานเขาเขาก็จะทิ่งทานหรอก ดีกว่าไม่ให้ทานได้ทานเสียก่อนนั่นลูกปู่มาอะไรมาให้ไม่ใช่ลูกปู่มาเอาให้ทําบุญบอกให้ทําบุญมาบอกกว่าได้นะถ้าพูดยาวก็ยาวถ้าพูดคําเดียวก็มาให้นี่ไม่ได้าเอาอะไรนะพ่ะหามาแล้วต้องมาให้ถ้าไม่ให้อะไรจะ ไ, ได้ประโยชน์อะไรให้อะไรให้บุญน่นให้บอกให้ทําบุญ บอกให้ดูบนาว่าได้นี่จะก่วงน ะ, ะ, ะเพราะคมบางนี่ก็มีหลวงปู่ใจให้พระหลวงปู่จ่าทรายหลวงปู่อะไรไปก่อนๆมันน่าอยู่จรงเลยติบ ส, สายมาตามจึงมีพวกลูกหลานไปบวชกันด้วยเห็นไหมละ่ะเรามีหลวงปู่ถ้าเอาเฉพาะวัดปักกุงไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเมืองไหนก็ได้แค่นั้นได้แ ล, ล้ว เพราะฉะนั้นหนลวงูเห็นอยู่นี่กับไปบางถด่นนู้นที่ป้านบ้ า, าเรามีพระเยอะก็ไปต่างประเทศบ้างบ า, าง <c oughs> านคนไปทําไมเมืองนอกไม่มีพระละหันโอ้ไม่มีก็ไปทําไมเขามีก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะมีพรหร <c oughs> ันแค่เดียวนะถ้าพระเจ้าไม่ปบดเราเราจะได้เห็นเทวศาสนาได้ที่ไห น, ไนถ้าเราไม่ไปบทต่างประเทศ เ, ศเขาจะรู้อะไรทีนี่มันมีทูกผลได้นะ คนไทยไปอยู่รุ่นก็มีพาสามีมาบางคนก็มีดูๆก่อนว่านันเกิดปีนี้จะมีพลังมาบวชไหมอย่างเขาพูดอยู่ว่าจะไปบวชมันเกิดหลวงพ่อเห็นพูดอยู่นะแต่ว่าถึงวันมีจะลูกไม่ไน้น้นสามีที่บเหมือนบอกิหลังละหมือนน่ะเออตอนนั้นอ่ะทีไรมาแล้วก็ทาบุญกันไง อใช่ใช่ช่ช่าอนุโมทนาสาธุกัเจ้ของที่ดินมาหลายคนเลยนะคะในในลายรักษาใจชื่ออะไรนะ ช, ชื่อชื่อว่าลินทอร์โจค่ะชื่ อ, อ<ล>จริงนะคะแต่ชื่อเล่นชื่ออีท พวกเราเรียนกองก็พถ้าถ้าถ้าจะจยาวเขาเียก็ได้สีอินรินทอนอะไรกินเอาเอาใส่ชื่อตัวเองเข้าไปด้วยใส่ชื่อเรางูแล้วการเจ้าค่ะพอใจแล้วพอใจแล้วบางคนไปติดตรงนั่นอีกก็มีถ้าไม่ติดก็สบายแล้วไม่เอาแล้ว ก็นั่นนั่นลหละต้องต้องตอต้องอย่าไปยึดผิดอยู่ตรงนั้นต้องคว้าต้ออชือกไอ้ฉันใส่ด้วยฉันโอ๊ยต้องเชือใส่แล้วก็ใจไปติดอยู่ป้ายนั่นแหละนะ ถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยไปเลยดีละเดี๋ยวตายชื่อเดี๋ยวตายวิญญาณเกาะอยู่ตรงป้ายลไม่ไมไปถ้าให้เกาะมต้องเอาชื่อเราไว้ดิไม่ต้องชื่อเราไว้แเราไปเราจะสายเราไปเลยแล้วแต่ครูบาอาจารย์มันง่ายไปแล้วไม่ง่ายมันก็ง่ายอะไรที่ฉันนมันตาบาดมาสันนี่ ก็รู้ทเสร็จแล้วอ่ะอืมมีนอกตากอยู่ตรงนี้องเงทางไปน่ทางไปงอ่ะเขไปเขียนแฟนดูก่อนอ๋อเจ้าค่ะหลวงูบอกแล้วไว้เทพื้นกดพื้นลองแต่คุณิงจริงหลวงปู่ไม่ก็หาง่ายจันะเจ้าค่ะหลวงก็มีเยอะอแต่หลวงปู่บอกว่าถ้าญาติโยมมามีมา ข้างบนนุ่นก็ยังบางฮะเป็นห้องโล่งๆได้แต่ใบมันปู่ยก็ได้แต่ไม่มีกุฏิแล้วก็คนก็ไม่กล้าพักแล้วถ้าลุงตูปลุงปู่ไปอยู่ป่าพวกลูกศิษย์ก็ไม่กล้าลุงปู่ไม่มีกุฏิอยู่แล้วจะไปอยู่ที่ดีแท้แต่ว่าเพราะฉะนั้นต้องมีตูปนต่นจะกว่้ ไม่ใช่เขาคิดเองไงหลวงปูอยู่อย hmm, hmm. uh, um, so ่างนี้แล้วตัวเองจะมาอยู่บ้านสวยๆงามๆไม่สวยไงเขาคิดเองเาคิดเองพอาต้องมีอะไรจค่มีอแล้วก็ยีใหญ่ๆบ้างบ้างของเดี๋ยวทาความสื่อาเน่การเต้นได้หมดเลยเนี่ยแบบเล่นาดนเต้นกันเต้นแตยิเต้นกันเนะเต้นนอนได้ มัคยังมีคนกางเตนออีกนก็มนี้อรแขเลยมาปรันลูกชายมารับอ๋อนลูกาีต่เช้าของประจเช้านีแต่เอาขึ้นแต่ารู้อ่ะประมูลประมูลเมื่อเดือนตุลาใจไม่ีคือหมดตังที่ไลล่ะ ที่ทั้งหมดชนดสามใบที่ทหรับยากี่พี่น้องมาให้จบทไายเจ้าค่ะเจไร่เจ็บไร่อืมอะไรเจ็บได้เล้วมาจำมันาเลยล่ะอะไอะอะไร้ะไเราเป็นปยญาเราเป็นปยาไม่มีประจาเลยค่ะเจไร่จุกจามจำมันสาเราวลาสาพ้นเลยเนาะให้เราฟูมาเก็บผลไม้เองเลยจ้าพ่น้อ ป้าหลวงปู่ชอบอยู่สวนหลวงปู่ชอบอยู่สวนนี่นะนี่ไอชินะไปถ่ายทุเรียนออกดอกไมจะส่งไปที่ตาเราใจบอกเรอยนงมีรูปแล้วปีนี้ว่ส่งไปแล้วจ้าส่งไปแล้วะแต่ยังไม่เรียบรรยายโฉนด2ไร่กว่ายใช่ไหคู่บอกไดงนะแล้ะไปเก็บไกว่าจะ่าโฉนดเเป็นปียาปีปียาอะไรเนาะอันโน้นในโฉนด2อไร่กว่ายค่ะหลวงปู่ที่จะแบ่งแยกออกมาหนึ่งไร่อะ แล้วก็ไปอีกก็สามไร่แล้วตรงนั้นอีกไร่เดียไม่รู้อไม่เคยดูโฉนดก็ให้ก็ให้คือคือไม่ได้ดูไม่เคยรังวัดไม่อะไรเี้ยอาือไม่อลูกนั่สบายอกศะมันสระอะไรก็ได้พีพักแล้วก่อนค่ะแต่จะไสะดวกตรงห้องน้าเจ้าค่ะห้องน้ำ่าสะดวกเอ้ยไม่ยากครับห้องน้ ทำแล้วตอนนี้มาเราเฉพาะพระสงฆ์ไม่ยากไม่ฉนอาหารไม่ฉันอาหารเราทำห้องน้าห้องน้ำห้องน้ำเอ้าน้องกุดชัยไปอยู่ที่น้น้ากอยันแต่งหันเดี่ดแจ้ให้แล้วแต่ไปเกจัดใจใครใใครใจมันเรื่องของพักนานาจิตตังคิอยางไงไปทั้งเราบินตบมาไม่ได้บินตบใจเขามาให้ฉันกดฉันไปแล้วกดจะเปเกี้ยดอะไรถึงเรื่องนน้นเรื่องนี้ เฮ้ยไม่มีเรื่องเสียก่อนเราจะแก้ไขใจยังไงอ๋อมันต้องมีมาเหมือนมีมานมามาจนใช่ไหมังมันกต้องมีทุกแห่งนั่นแหละมันจรู้ว่าใจเรามันจะใช่มันจะปล่องแล้วเดีวนี้หรือว่าจะปกอ่าอืมมันใะยืดึงมันจะปล่อยืดไปย็ดไ้อยู่นั่นทวนนันกัวนี้ไปกลัวอะไรปากใครปากนั้นฉันใครฉันนั้นแล้วไปยุ่งกับอะไรกับคนไปเอาอะไรคนตั้งแต่เชื่อที่แล้วค่ะใครมีความคิดไม่ดีก็พูดย่ำแล้ววันนั้น ว่าเรื่องของใครของเราเราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่ให้สร้างอะไรต่อไปอีกสร้างให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ฉันดูทั้งสมาร์ททีคอมนาจะไปยุ่งอะไรพยาบาลมาตรงไหนกูย้ำตรงไหนเอยปล่อยวางปล่อยไปสีจะมีอะไรข้องมีเรื่องน่นเรื่องนี้เราก็ไปยุ่งเราไม่ชอบเรื่องอะไรละใจจนี้ยังไม่บริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมันจะมีอะไรเรื่องคนพูดพูดไปใครรักใครชังข้างเขาใครด่าใครบ่นจนเราใจเราเรื่องเย็นเป็นพอจะยุ่งอะไรหรอเขาอาหารมาให้เราฉันแล้วก็ไปเข้าป่า สมาิภนาไม่ทาอะไรที่ด้วยยมกิจแรงพวกยกมกิจแรงมากแรงพอกไม่ไปเราถ้ามาต้องให้ไปอยู่หลวงพ่อ้อยไม่อยู่คงนั่นก็อยู่ได้แล้วท่านไม่ยุ่งกับคนแท่านอะรอยู่นั่นนะทาได้หมดแล้วบารีหมดอะไรต่อคะหมดทีกด้่นท่านอะไรอยู่นั่นมนะันอยู่ไม่<อ>ไกเทาไท่า น, นว่าครูบาลีโมดมน้องชายอมรานะคะ <c oughs> ท่านเก่งมากรถที่ที่เจ้าถ ว, วายลุงปู่อ่ะยังอยู่วัดป่านองบ๊วฟตอนนี้ก็ท่าน <Enjoy. S 1> ท่านจอยอ่ะท่านเคยอยู่อูรรถมาก่อนท่านก็ซ่อมร็แล้วยกใหม่แบบเหมือนรถเหมือนรถกระ บ, บะเล็กๆเลยค่ะสองข้าง<ม>แล้วก็ซ่อมซ่อมเครื่องซ่อมอะไรท่านซ่อมให้ซ่อมเสร็จท่านก็ไปเชียงรายละครูบาเก่งไงอยู่องค์เดียวได้แล้วก็<ม> ก่อน of pues ี uh, um, ้ก็ท่านก็มีมาหลายหลายโรอะค่ะท่านก็วัดใจท่านไปเรื่อยๆท่านบอกเันมีบากกรรมของท่านอืมอืมไหนไปก็น้าจากพวกเขาลงมาที่นี่ค่ะไปสองร้านหวานแล้วเจ้าค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมีมีมีเงินมามาให้เรื่อยๆอ่ะแต่ก็ไม่ใช่เงินของชาวบ้านนะเงินจากที่อื่นช่วยกันหาถ้าท่านจริงก็มีมาช่วยอย่นั้นแหละ ก็ตอนนี้ชาวบ้านเขามีพระอีกโอนที่เขาเขาลบนับถือมากๆา ก, าก <c oughs> แล้วเขาก็จะไม่ขึ้นตัววัดป่าตัวมอควายอะค่ะเราก็ไม่เป็นไรเราก็เวลาไปก็จะซื้อข้าวปะ <c oughs> พอดีมีลงุงมีลุงสมบัติอยู่ลุงสมบัติก็จะตามกับข้าว <c oughs> อาหาถวายแล้วคุณจันคุณจันคุณจันที่ตรงไหนนะที่อย่างไรสายไหมนี่จ้าก็จะถวายข้าวสารข้าวเหนียวไปที่วัดประจำํำ <c oughs> แล้วต่องอะต๋องก็อยู่ที่ ที่ศรีราชาได้กกีนั่นเขารักนข้าต้นเขาก็จะส่งอาหารแห้งไปบอกให้ต่อยสองทยอยส่งสมัยก่อนสองสองสียากหรอพาะไม่ทันแห้งแต่ที่นั่นเขาใช้ง่ายๆชาวบ้านเขาก็เอาน้ําปลาใส่พริกถั่วายไม่ยากบอกว่าไอข่ต้มพระก็ทานได้ท่านท่านก็ไม่เคยบ่นนะคะคุมาคุมาท่านอยู่ได้งานอย่างเดียวเนาผ่านมาแล้วผ่านมาเยอะๆแล้ว เห็นบอกว่าจะสร้างกุฏิให้หลวงปู่อีกหลังเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายแล้วจะไม่สร้างอะไรละดูอหลังนั้นมันกอควาแรงแล้วคิดว่ามันมีวิวดีๆอยู่แถวๆหน้าผาเราจะมีคนเป็นเจ้าภาพแล้วด้วยกุฏิหลวงปู่อ่ะในเขาว่ามีคนมาก็คงจะทำเป็นฝั่งหลังมาค่ะหลวมทําหลังนี่เห็นเสร็จ มางานลูกปูมาแน่ๆนะงานปนล้ไเราต้องเชียร์บอกขอเจ็ดไรเลยงานนไ่เราเราก็จะได้มาปฏิบัติแบบว่าเราก็สิแปเดือนเลยเดือนเลยนะมาอยู่มาอยู่กับลูกปูไงให้ลูกปูมีทบาลเลยนี่กลัวแล้วคนบางดูเป็น รู้แล้วพี่ว<ก>บว<า><บ>ันเดียวก็รู้นะโของเยีะจริงจริงเยอะไหมบันเดียวจะไปขายตรงไหน <laughs> <laughs> ใ, ใช่ๆาเะใเดี๋ยวบ้านนู้นคอยลาบ